ท่นเที่พข้าเรามากราบในมส ก, การพระจันทร์เพรบุญอภิปุณโญพร้อมๆกันนะคะเพื่อที่จะให้ท่านมาช่วยเมตตาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะให้ในรายการสัสนิษนานนี้กราบในมห ก, การกันทั้งคะเจริญพานนี้พยายามเข้ารายการเร็วๆเพราะทีนีคิดว่าเรื่องนี้ยเนี้อาจจะมีประเด็นซักถามท่านยาวเพราะพยายามคิดแทนคนอื่นซึ่งคนที่ต้องการที่จะเป็นคําถามที่ถามเนี่ยเชื่อว่ามีเกิดทั้งโลกเลย นั่นก็คือว่าทุกคนอยากรวยเพราะว่าเป็นโลกทุนนิยมเนี่ยนะคะ ม, มันสบายเนะ่ะรวยแล้วมันดีอ่ะรวยแล้วมันมีศักดิ์ศรีรวยแล้วมีเกียรตินะค ะ, ะทีนี้ถ้าเมื่อเอิญเป็นคนดีซะด้วยสิอยากจะอยู่ในศีลในธรรมของพระพุทธองค์และอยากรวยด้วยเนะี่ย เป็นไปได้ไหมคะมันไปด้วยกันได้ไหมมันขัดแย้งกันไหมหรือว่าถ้าจะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยรวยไม่ได้หรอกโยกต้องตัดหมดอืม เ, เราก็มาพิจารณาตามพุทธวจนะนะบระรูชาพูดถึงความมีโภคทรัพย์มากมีทรัพย์มากอันนี้มีนะสอนด้วยว่าวิธีที่จะทําให้มีโภคทรัพย์มากมีทรัพย์มากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากทํำยังไงเพราะฉะนั้นพระรูชาเนี่ยไม่ได้สอนให้คนจน ยังพูดถึงว่าความจนเนี่ยเป็นเหตุของความทุกข์ด้วยซ้ะคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติเนี่ยมีความทุกข์มากก็พูดไว้ด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดว่าพระเจ้าเนี่ยในทางตรงกันข้ามส น, สนับสนุนให้คนเนี่ยรวยด้วยซ<ช>้ําต่นี้ด้วยความรวยความมีทรัพย์เนี่ยมีกี่นยัยนยะก็มีอยู่2อนยัยนยะพูดถึงโภคทรัพย์โภคทรัพย์คือเงินที่ในกระเป๋ากับอริยทรัพย์ นะดีนะครับคือจิตใจที่มีเงินมากนะรยรวยรวยด้วยใจโดยน้ําใจปราณนั้นทีนี้ถามว่ารวยโภคทรัพย์เนี่ยผิดไหมเฮ้ยทำไมจะผิดก็ตัวถูกอยู่แล้วนี่นะผู้เช่าพูดถึงการที่มีโภคทรัพย์นะคนที่ขโมยนี่ต่างหากไม่เรียกว่าเขามีโภคทรัพย์แต่คนที่ทำอาชีพสุจริตนะแล้วก็อยู่ในศีลในธรรมได้เงินพอประมาณนี่เป็นคนมีโภคทรัพย์ ถาว่าทำไมถึงพูดไปอย่างนั้นเพราะว่าโควตาบที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเขาใช้ได้อย่างสบายใจนะคือการที่เรามีเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยถามว่าถ้าเป็นเงินที่สุจริตแ้่จะเป็นเงินที่ทุจริตได้่ยนะไอการใช้เนี่ยมันไม่สบายใจน ะ, ะพอไม่สบายใจอันนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นโควตย์นะออืมมันมันไม่ใช่เงินที่ถูกต้องอะ่ะเป็นคโควตาบที่หาได้มาโดยธรรมนะผู้เช้าใช้ความนี้ว่าเป็นโภคัพา์ที่ ถูกได้กัดจากการมาที่ลุกขึ้นนะรวบรวมมาด้วยกําลังแขนตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโกพกซับที่ได้มาโดยธรรมเป็นไปตามธรรมเป็นผู้ทําก็เองก็ดีจัดให้กระทําก็ดีลักษณะนี้เพราะให้คุณคต้องทํางานน ะ, ค, ะคุณต้องมีความขยันนะเป็นผู้ที่ไม่เกียจคร้านนะได้โพกซัพ์นี้มาเนี่ยโอ้ดีมากมทีนี้ถามว่าทํายังไงถึงจะให้เป็นผู้มีโพกซัพ์มากค่ะ เอาอันนี้พูดถึงโภคัพา์ก่อนถ้าเราแบ่งใจ่ายโควตาบตามตามตามระบบที่ผู้เช้าสอนนะก็จะพูดเป็นผู้ที่เรียกว่ามีโคัพา์มากคือการที่เงินเนี่ยนะถูกแบ่งจ่ายตามระบบที่ผู้เจ้าสอนเนี่ยจะปริมาณน้อยหรือปริมาณมากเนี่ยก็ถือว่าถูกต้องแล้วเป็นผู้ที่ใช้จ่ายเงินอยู่อย่างถูกต้องทีนี้ถามว่าคนที่พลาดเนี่ยมันคือตรงนี้ไงว่า คุณมีความอยากแตถ้าอยากเนี่ยมันมันจะเริ่มทําให้จิตเนี่ยออกจากสมรุณค่ะออกจากความที่เราจะตั้งอยู่ในศีลในธรรมค่ะนะมีโอกาสโกงปุ๊บ ท, ทันทันทีทําทันทีแตนะมีโอกาสโฉกปุ๊บทําทันทีแตนะเพราะมันจิตใจมันชุ่มไปด้วยความอยากแนะต่เพื่อนถามว่าเราเไม่ต้องอยากรวยหรอกแตนะไม่ต้องอยากมีเงินมากหรอกนะเราพยายามที่จะตั้งมั่นในการที่จะทำ เหตุของการที่มีทำให้มีเงินมากเหตุของการที่ทําให้คนรวยขึ้นมานะทําตรงนี้ถามว่าเราจะไม่อยู่ในเหตุนี้ได้นะถ้าจิตเรามีแต่ชุ่มไปด้วยความอยากเอาค่าคะเอาใช่สิเพราะว่ า, าไม่ใช่อยากมันมาก่อนนะคะมันถึงจะทําให้ตรงนี้ไงคือประเด็นว่าถ้าสมมติเรามีความอยากแล้วเนี่ยคุณโยมติ๋วจิตเราจะจะไม่สมดุลหรืจะถูก เกี่ยวไปได้ง่ายจะถูกฉุดดึงไปได้ง่ายใครพูดนิดนึงปุ๊บไปละเดี๋ย <c oughs> ไปทําอาชีพนั้นทําไปนิดนี้หน่อยไม่เวิร์กอะไรใครพูดนิดนึงกับไปละเพราะฉะนั้นมันเราจะไม่มีจิตที่ตั้งมั่นในการที่จะทสิ่งสักสิ่งใดสิ่งหนึ่ง <c oughs> าถามว่าจิตที่ตั้งมั่นตรงนี้มาจากอะไรมาจากการที่ไม่มีความอยากน ะ, ะความอยากในที่นี้มันถึงความทยานอยากตัณหา <c oughs> ความทยานอยากถ้าถ้าตัณหาไม่มีนะหรือว่าตัณหา เรียกว่าไม่มีเลยเนี่ยจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยเราจะสามารถตั้งมั่นในการที่จะทำเหตุของความรวยนี้ได้คือคนที่เขายังจนอยู่เนี่ยเพราะว่าเขามีปากทา ง, างความเสื่อมเยอะเดี๋ยวคนมาชวนไปกินเหล้าก็ไปเดี๋ยวคนชวนไปเล่นตรงนู้น่ต น, นตรงนี้ก็ไปนะพักทิ้งสงามชั่วโมงงานการไม่ทำเสียไปนะถูกผู้หญิงหรือว่าคนที่เป็นไม่ดีมาชักชวนไปก็ผิดศีลผิดธรรมอีกไปอีกคนละเรื่องไปเลย เพราะนั้นเนี่ยเราต้องมีจิตตั้งมั่นในการที่จะสร้างเหตุให้ถูกต้องค่ะนี่คือประเด็นเงั้นเดี๋ยวฉันสรุปเป็นช่วงๆ่นอนะคะที่กล่าวเรียนถามท่านว่าถ้าเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในธรรมะของพระพุทธศาสดายอยากจะเดินรอยตามจังเลยแล้วอยากรวยเนี่ยผิดไหมท่านบอกไม่ไมพระพระธองสนับสนุส น, นด้วยซ้ําตามคุทวจนะบทต่างๆใ น, นที่ท่านได้กล่าวมาแล้วนะคะว่าแต่ว่ารวยเนี่ยมันมีสองรวยอื รวยหนึ่งคือรวยของที่เป็นโภกข้าวซักินได้ใช้ได้กับรวยอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ภายในใช่แต่จะเรียกว่าโภกทัพว์ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้มาด้วยวิธีสุจริตถูกต้องนะคะแล้วก็ถ้าได้ดีได้มาจากเป็นคนที่ประกอบสมาชีพมีศีลอันนี้ใช่ ท่านใช้คำว่าลุกขึ้นรวบรวมด้วยกำลังแขนตัวชุ่มด้วย ง, งใช่คือต้องลงทุนลงแรงว่าอย่างนั้นเถอะทีนี้บางอาชีพอคะค่ะท่านคะถ้าตีความตามคำพระศ า, าสดานะเช่นสมมติเป็นนักพูดเมื่อเหนื่อยกับการเดินทางนะเหนื่อยกับการวิ่งรอกแล้วถามถามว่าตอนขึ้นบนเวทีพูดเหนื่อยุณไม่ออกที่หลังเหรอ บางคนไม่ออกนะคะหรือจะกระแรงออกไหมแต่หมายความว่าทํางานหนักแบบนี้เข้าขายใช่ไหมคะใช่ใช่ทำเองก็ได้จัดให้กระทําก็ได้คือเป็นผู้จัดการก็ได้หรือเป็นคนออกแรงก็ได้ค่ะแล้วทีนี้ท่านบอกว่าการใช้จ่ายเนี่ยก็ต้องใช้จ่ายตามคําสอนของพระศาสดาและท่านข้ามไปเลยไงคะว่าเพราะฉะนั้นอย่างนี้ไม่ต้องรวยหรอกให้ไม่ต้องอยากรวยแต่ให้สร้างเหตุมันจะรวยเองใช่แต่ดิฉันเลยจะถามตรงที่ว่า พระศาสดาสอนเรื่องการใช้จ่ายอย่างไรถึงจะทำให้รวยะค่ะขันดับแรกก็คือต้องเลี้ยงตนนะเลี้ยงตนเองี้ยมาาบิดาเลี้ยงมิดอมารพวกนี้ให้อิ่มหนาลูกน้องด้วยนะ ค, คือคนที่อยู่ในวงรอบของเราทั้งหกทิศเนี่ยเราต้องเลี้ยงเขาให้อิ่มหนำคือที่ทั้งหบมันคนก็อาจจะขม็ดขมแแม่นะคะกลัวว่าคืนเอาไปเลี้ยงเขาเนี่ยเดี๋ยวไม่มีทุนพอที่จะลงทุน ใหม่ที่ได้มาคิดแบบนี้ผิดเลยใช่ไหมคะต้องทํางี้ก่อนว่าพระเช้าพูดถึงการแบ่งใจทรัพย์4อย่างอย่างแรกก็คือว่าเลี้ยงตนให้อิ่มหนำนะบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องนะเลี้ยงให้อิม่มหนาบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องนะพวกนี้ก็คือทิศทั้ง6ของเรานะมารดาปีดาธาตุหญิงธาตุชายกรรมกรบุตรภรรยาพวกนี้นะต้องเลี้ยงให้อิ่มหนาบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องต้องย้ำอีกทีนี้บริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้อง เพราคุณต้องบริหารนะคือคําว่าบริหารตรงเนี้ย ม, มันมันตีความได้ว่าคุณถ้ามีน้อยนะคุณก็ต้องรู้จักใช้น้อยน ะ, ะถ้าเผื่อว่ามีทรัพย์มากแต่ไปใช้น้อยก็จะมีคนเข้าใจว่าคุณจะได้อดตายออตายากแต่ถ้าเผื่อว่ามีทรัพย์มากแล้วใช้ถ้ามีทรัพย์มากใช้น้อยก็จะเหมือนกับว่าตายออดตายยากแต่ถ้ามีทรัพย์น้อยแล้วใช้มากก็จะเป็นผู้เหมือนกับคนกินผลมะเดื่ออย่างเงี้ยก็ไม่ดี ทีนี้ถามว่าเราต้องบริหารให้อยู่เป็นสุขหรือถูกต้องอันนี้คือพูดถึงเรื่อง cash flow นะถ้ามีเงินน้อยคุณก็ใช้น้อยมีเงินมากคุณก็ใช้ตามที่ต้อ ง, องการได้แตนะไม่ใช่ว่ า, เ, าเรามีเงินมากเราจะมาใช้น้อยๆเขียเข่ยๆไว้ก็ไม่ก็ไม่ควรนะอันนีน้ข้อที่1นึ่งข้อที่2เนี่ยคุณต้องรู้จักใช้เงินในการที่จะป้องกันอันตรายนะจากพยานอันตรายต่างๆนจ่ า, า, นะจายค่ายามไหมติดระบบกันภัยไหม ทำประกันชีวิตไหมอะไรพวกนี้จะเป็นเครื่องหรือว่าใช้ลงทุนเก็บเงินลงทุนตอนต่อไปไหมน่าจะเป็นที่ทําปิดกั้นอันตรายต่างๆตร ง, ง, งนี้อันตรายที่เกิดจากไฟน้ําโจรพระราชาพวกนี้หรือถา้ถาท า, า, า, ายาทที่ไม่เป็นที่รักก็ได้อันที่สนะามผู้เจ้าให้สละทรัพย์นะด้วยการทําปลีกรรมเนะช่นสงเคราะหญาติสงเคราะห์แขกสงเคราะห์ผู้ที่ลงรับไปแล้วสงเคราะห์ชาติแล้วก็บูชาเทวดา ตรงบูชาเทวดาตรงนี้อรรมาเคยเคยมาคิดใคร้ครวนคุณโยมติ๋วว่าเอ๊ะทำไมผู้เชาแนะนําให้บูชาเทวดาคือคือเทวดาในที่นี้เนี่ยอรรมาติความว่าเป็นเหมือนกับบุคคลที่คนเทวดาในะอย่างอย่างบุคลา ก, กรทางการแพทย์อย่างบุงคลอย่างเงี้ยเลยว่าโอ้คนนี้แบบมีจิตใจเทวดามากๆเลยและเป็นจิใจที่มีเมตตาเราเราจะช่วยสงเคราะห์คนนี้อ่ะ <c oughs> นะหรือเพิ่งที่เราดูรายการทีวีที่มันเศร้าๆ <c oughs> คนนี้แบบได้รับทุกอย่างไปเนะเราจะเอาเงินให้คนนี้ยอยากสงเคราะห์เขาตรงนี้แหละคือที่ที่พูดว่าสงเคราะห์นะโอค่ะ <c oughs> หรือคนที่เป็นคนดีมากๆเลยเป็นเป็นเด็กรู้จักการั น, นยูพ่อแม่แต่ว่ายากลําบากเนี่ยเหมือนเทวดาในใจของเรานะ <c oughs> เราช่วยสงเคราะห์คนพวกนี้ได้ค่ะเราก็อันที่สี่นะใช้ทรัพย์ที่หามาได้โดยชอบทำนี้ในการอุทิศแก่สมณพาหมผู้ที่ ตั้งอยู่ในการฝึกฝนให้จิตสงบจากกิเลสนะ น, นี้ใช้เงินสี่อย่างนีนะ้ถ้าเราใช้เงินสอย่างนี้เนี่ยปริญญาไม่ได้พูดถึงปริมาณนะคุณยมติว๋วแต่ถ้าเราใช้ในระบบนี้สมมติคุณมีเงินเดือนเท่าไหร่ 6,000 บาท6ก0 0นบา ท, นะบาบาทคุณแบ่งจ่ายซับในสหน้าที่นี้นะโอ้เยี่ยมยอดมากเยี่ยมยอดมากค่ะดิฉันเองเคยเห็นผู้หลักผู้ใหญ่เคยกินอยู่ไม่ใกล้ไม่ใก ล, กลแต่แถวนี้นะคะ จะเห็นเขาดําเนินชีวิตแบบนี้ก็เป็นคนรวยค่ะแต่เขาจะเลี้ยงดูผู้ทํางานให้เขาเนี่ยอย่างอินนําแล้วก็บริหารให้อยู่เป็นสุข ด, ดังพุทธวจนะนี่เลยนะคะอืมสละทรัพย์โดยการพลายกรรมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นเขารวยเอารวยเอานั่นแหละใ น, นตรงนี้ซื้อว่าเป็นผู้ที่มีโพกทรัพย์ล ะ, ะมีโพกรทรัพย์คือมีเงินต่อให้คุณมีเงินน้อยคุณมีเงินมากทํากรมทาในลักษณะหน้าที่นี้ได้แน่นอน แล้วถามว่าทำแล้วจะเป็นไงคุณยมติว๋วทําแล้วเนี่ยทิศของเราทั้งหมดจะถูกจะถูกเป็นถูกปิดกัน้นเป็นทิศที่ไม่มีภัยพอเราไม่มีภัยรอบตัวแล้วเนี่ยนะจิตเราจะสบายมากพอจิตเราสบายมากเราจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเห็นโอกาสเห็นโอกาสที่ทําให้เราอโตแบงหน้าเห็นโอกาสที่ทําเงินมากเห็นโอกาสที่จะขยายไปได้อออืแต่คนที่มีภัยรอบตัวเนี่ยมันมันจิตมันไม่สบายใจนะมันจะคอยระวังโอ้ยเดี๋ยวเมียเดี๋ยวลูก เดี๋ยวลูกน้องเดี๋ยวเพื่อนร่วมงานมันจะคอยระวังทำให้เราไม่เห็นโอกาสในการก้าวหน้าคือจิตคือจิตไม่เป็นสมาธิว่างันเถอะอนี่ก็เป็นแบบเรื่องที่อย่างไม่น่าเชื่อนะคะว่าพระพุทธองค์เองได้ตรัรสสรรเสริญแปลว่ายังไงคะท่านจำแนกอย่างไรคะว่าถ้ายังอยากรวยก็รวยกันไปอยากจะละวางก็ไปอีกแบบนึ่งผู้ชาพูดถึงคุณธรรมไง ค, คุณธรรมในที่นี้คือความเพียร ความเพียร2อย่าง2ประการที่หาได้ยากทําได้ยากยิ่งในโลกนั่นคือฝ่ายเครือข่ายที่ใช้ความเพียรในการที่จะหาผู้ปัจจัย4อันนี้ยากมากอันนี้อันที่1นะส่วนฝ่ายบัญชีใช้ในความเพียรในการที่จะละกิเลสเสียทั้งหมดอันนี้อย่างที่2เป็นความเพียรที่ยากหาได้ยากในโลกค่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราเราทำนะเราทำนะนโอ้เป็นเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงเน้นที่คุณธรรม ใ น, นที่คุณจะทำอยู่ที่ว่าคุณเอาไปใช้อะไรแต่ถ้าคุณใช้ในการหาทรัพย์ก็ได้คุณใช้ในการลักิเลสก็ได้ท่านคะทีนี้พูดถึงแต่เรื่องรวยอืมแต่นี้มันมีอย่างเช่นคนอยากมียศถาบรรดาศักดิ์มีตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยนะค ะ, ะพระพุทโธได้ตราดไปบ้างด้วยหรือเปล่าคะอตําแหน่งนี้ก็มาพร้อมกับหน้าที่น ะ, ะ, ะเพราะฉะนั้นเราทำหน้าที่งไงอ๋อคือหมายถึงว่าตราดไว้แต่ตราดเป็นเรื่องหน้าที่ถูกต้องหน้าที่เร<อ>าจะสรุป<ๆ>สั้นๆได้ไหมคะ สัส้นๆตรงนี้ก็คือว่ายศ ต, ตำแหน่งนะไม่ไ ม, ไม่มีนะยศอย่ามายุ่งกับเราเลยนะเรารไม่อยากไปยุ่งกับยศนะแต่ที่ที่ทำก็คือทำหน้าที่ได้เพราะฉะนั้นถ้าทำหน้าที่แล้วนะจะมียศมีตำแหน่งมันก็ถ้ามันจะต้องมีเพื่อที่จะทำได้นี่นะอย่างสมมุติคุณเป็นจา่าคุณจะไปสั่งนายพลมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นนายพลคุณจะปบรรจารกา์ได้แต่เราทำหน้าที่ไงจะเป็นนายพลหรือเป็นอะไรก็ก็ตามนั้นเถอะนะเราก็ค่อยทำไปก็แล้วกัน ก็เท่ากับว่าถ้าเป็นพวกที่มีตําแหน่งซึ่งเป็นตําแหน่งที่อาจจะทําให้อ่ามันอยู่ท่ามกลางกิเลสทั้งปวงขอให้ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแปลงนี้ไหมคะถูกต้องตําแหน่งนี้มีมามีไปนะเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็แล้วกันค่ะวันนี้ก็ได้ทั้งอ่าเป็นเรื่องของทั่วทไปของมนุษย์เขาเรียกโลกกระทำอันนี้ไม่ครบแปดนะคะอันนี้อันนี้มียศนะคะรวยนี้ถือว่ามีลาบได้ไหมคะ ใช่ใช่จะพกับลาบกับยศนะคะอก็กราบน้ัมศการขอบพระคุณท่านอาจารย์เพ็ญบุญอภิปุโ น, โนเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่มีได้เตตาทําให้ทุกคนมีขวัญและกําลังใจว่าเอยฉันยังไม่ต้องลาไปบวชเสียทีเดียวนะยังทํางานทําการได้ยังที่จะหาเงินหาทองได้และหาได้อย่างรู้วิธีว่าพระพุทธองค์ตรัสสอนเอาไว้อย่างนี้มันจเจริญไปได้ควบคู่กันถ้าหากว่าเรามีสติเรามีความเพียร ก็กราบนมัส ก, การขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะเจวานค่ะท่านเพืนที่เคารพค่ะท่านอยู่ในช่วงเวลาของรายการสันสนิษฐนานนะคะช่วงท้ายๆแล้วล่ะค่ะสาหรับวันนี้เราก็มีมาพบกับท่านค่อนข้างสม่ําเสมอพักเพียงแค่เสราร์อาทิตย์ส่วนของดิฉันกับประมาทค่ะคาวาโรนะคะแต่ว่าท่านเพบูลเนี่ยก็จะไปจัดรายการทางสถานีที่กระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน ว, วันศุกร์จะประกาศให้ทราบอีกทีแล้วกันนะคะท่านที่สนใจใกล้ที่จะ ศึกษาพุทธวจนะว่าสํานวนของพระพุทธองค์แท้ๆนั้นเป็นอย่างไร ก, ก็อ่านหนังสือพุทธวจนะเนี่ยค่ะมีเล่มเดียวเราอ่านได้ตลอดชีวิตเลย0 2 2 6 9 0องสสัปดาห์หนึ่งเราแจกให้5วันเก้าสเล่ม น, นะคะวันละสามเล่มอภินันทนาการจากวนาปภงค์ลํลุ ก, กาคลองศิษย์พระอาจารย์คริสสธิพโลค่คะรักกันไปเพียงเท่านี้นะคะพุทธวธสวัสดีค่ะ